พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสัมสีน์สนทนาเรามาพบกับท่านตามเวลาที่นัดกันไว้นะคะคือตีห้าโดยประมาณที่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเ m ฟเอรายการนี้ท่านจะได้พบกับพระมหาภาบูบุ์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกอุดรธานีจะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จะนะโดยมีดิชั่นสัมสนีนากพงนะคะเป็นผู้ดาเนินรายการสนทนาธรรมนี้แต่ว่าในช่วงต้นของรายการ เราจะทำในสิ่งที่เ้นคิดว่าหาได้ยากในรายการวิทยุที่ไหนนะคะที่จะมีการนำท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมกันสักในเวลาพอสมควรตอนต้นของรายการประกอบไปด้วยประสูตรที่เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเอาไว้เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นไม่ต้องเสียโอกาสในการที่ไม่ค่อยมีเวลาจะไปหลีกเล่นปฏิบัติกันอย่างเต็มที่กับอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นการค่อยๆสะสมกเทยเล็กทีละน้อยแล้วเริ่มต้นวันกันอย่างมีกุศลนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะให้ท่านไปพบกับพระมหาภัยบูรัอภิปุญโนกันแล้วค่ะกลับงานสการ์กันแล้วคะเจียมพานเวลาที่เราฝึกปฏิบัตินั้นมันเริ่มด้วยง่ายๆด้วยร่างกายของเราแล้วก็ใจของเราแต่ากายของเราก็คือใช้ลมหายใจแต่ใจของเราเวลาที่มันจะไปอยู่กับเรื่องราวอื่นๆอดีตบ้างอนาคตบ้างก็ให้ใจของเรานั้น มาอาศัยกายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งแตนะบุรุษชาติพูดถึงฐานที่ตั้งการตั้งจิตไว้แนตะ่เราจะใช้อะไรหลักเป็นเครื่องมือในการที่เราจะตั้งจิตก็คือใช้ลมหายใจของเราแตนะ่เวลาลมหายใจเนะี่ยที่เรารักษาจิตของเราให้มาอยู่กับลมหายใจเพียงอันหนึ่งอันเดียวเนี่ยมันสามารถที่จะทําสติปัฏฐานทั้ง4ให้เกิดขึ้นได้แตนะ่สติปัฏฐานทั้ง4ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะทำํำโพชงเจตทาวิชาวิมูลให้เกิดขึ้น นั่นก็จะเป็นลําดับขั้นตอนไปในการที่เราจะตั้งจิตของเราให้อยู่กับลมหายใจนั้นก็ให้เรามาระลึกนะมากําหนดรู้บางคนก็ใช้คําว่าระลึกบ้างบางคนก็ใช้คําว่ากําหนดบางคนก็ใช้คําว่าจดจอ่อแต่ก็มีความหมายที่คล้ายๆล้ายกันนะคือให้เรามาตั้งใจนะในการที่จะมารู้ถึงลมหายใจอาจจะมีความคิดนึกนะที่เป็นไปในทางอดีตอนาคต เ, าเสียงบ้างความรู้สึกทางกายบ้างอะไรต่างๆ ที่จะมาคอยดึงจิตขอเราไปแต่ไม่เป็นไรนะให้เรามาอย่างน้อยนะรักษาผูกจิตของเราไว้กับลมหายใจแนะสิ่งนั้นอาจจะมามีาพันธะมีสัมผัสในทางกายทางหูบ้างอะไรบ้างนะแต่เราอย่าเป็นผู้ที่ลืมหลงลมหายใจพระเจ้าให้เราเป็นผู้ที่รักษาลมหายใจเอาไว้นะไม่ลืมหลงสติมีกายสงบระ ง, งับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นระเบิดเดียวแนะผู้ที่เป็นอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรม เห็นธรรมก็ชื่อว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้ามีจิตเหมือนกับพระพุทธเจ้ามีจิตเหมือนกับเราพระอริยสาวกทั่วๆไปการกระทำตรงนี้คือการเจริญสตินั่นเองการที่เราเจริญสติอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการนอกจากรักษาตัวเองด้วยและด้วยสติที่เรามีอยู่ในใจยังเป็นการรักษาผู้อื่นด้วยพระพุเจ้าได้ตัดในเรื่องนี้ไว้อย่างนี้บอกว่าพิสุทิ์ั้งหลายเธอพึงเจริญสติปัฏฐานด้วยคิดว่าเราจะรักษาซึ่งตน เธอพึงเจริญสติปัฏฐานด้วยคิดว่าเราจะรักษาซึ่งผู้อื่นคือเมื่อรักษาตนก็คือการรักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็คือการรักษาตนมีสุดท้ายเมื่อรักษาตนก็คือการรักษาผู้อื่นนั้นเป็นอย่างไรเล่าข้อนี้หมายความว่ารักษาตนด้วยการเสพธรรมะด้วยการเจริญธรรมะ ด้วยการทำให้มากซึ่งธรรมะนี่แหละคือเมื่อรักษาตนอยู่จะมีผลในการรักษาผู้อื่นก็เมื่อรักษาผู้อื่นก็คือรักษาตนนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือข้อนี้หมายความว่ารักษาผู้อื่นด้วยการอดทนด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใคร่เอ็นดูนี่แหละเมื่อรักษาผู้อื่นอยู่ ก็จะมีผลเป็นการรักษาตนด้วยปีสุดทั้งหลายเมื่อคิดว่าเราจะรักษาตนก็จงเจริญสติปัฏฐานเถิดและเมื่อคิดว่าเราจะรักษาผู้อื่นก็จงเจริญสติปัฏฐานเถิดเพราะว่าเมื่อเจริญสติปัฏฐานเพื่อรักษาตนก็เป็นการรักษาผู้อื่นเมื่อเจริญสติปัฏฐานเพื่อรักษาผู้อื่นก็เป็นการรักษาตนด้วยอย่างนี้แหล เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามามีสติในลมหายใจะจะอยู่กับคนอื่นก็ตามอยู่ตัวเราคนเดียวหลีกเล่นอยู่เงียบๆนิ่ง ๆ, นงๆคนเดียวก็ตามชื่อว่าเรารักษาตัวเราเองด้วยคนที่อยู่ใกล้เราก็ได้รับการรักษาโดยตามหลักย่อยอย่างนี้อาจาริสพันธ์่ถูกค่ะนะคำว่ารักษาอันนี้เดี๋ยวฉันคิดว่าค่อนข้างกว้างเดี๋ยวจะไปลงรายละเอียดแต่อยาาจะกราบเรียนท่านฟังไปก่อนว่าสาหรับ พระสูตรพระสูตรนี้เนี่ยน่าจะเหมาะสมกับทุทกๆคนที่เป็นสัตว์สังคมนะคะจะต้องอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติธรรมกันไปแล้วได้กุศลกันไปส่วนหนึ่งแล้วการฟังธรรมก็เป็นกุศลใช่ไหมคะถูก ต, ต้องถูกต้องเพรา ะ, ะว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยจะทําให้ศรัทธาเกิดขึ้นได้ค่ะบางคนยังเพลินอยู่เลยค่ะหมายถึงว่าเดี๋ยันใช้คําว่าเพลินอาจจะผิดบางคนยังประสงค์ที่จะปฏิบัติ ต่อเนื่องไปจากที่เริ่มต้นกันมาตั้งแต่ตอนต้นรายการอ่านี่เขาก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ลืมหลงมลงใจอยู่ถูกต้องดีๆไำมาเห็นด้วยค่ะถ้าท่านสามารถโดยไม่ต้องมีกิจอื่นก็ดาเนินกันไปต่อในระหว่างที่ฟังการสนทนากันแล้วกันนะคะใช่ใชคำว่ารักษาตนเหมือนรักษาผู้อื่นรักษาผู้อื่นเหมือนรักษาตนและไม่ว่าจะรักษาเราหรือรักษาคนอื่นรักษาด้วยการเจริญสติปัญญา สรุปอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเพรานี่เป็นพุทธพจน์เลยอย่างที่คุณโยมถิดว่าทีนี้รักษาเนี่ยคะ่ะเขาเป็นรักษานี้เป็นอย่างไรกัน<อ>ค ะ, ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างให้ฟังนะก็คือเหมือนกับคนเล่นกายกรรมนะเขาต่อตัวกันขึ้นไปนะคนอยู่ข้างล่างนะแข็งแรงหน่อยเอาถือไม้ขึ้นไว้นะคนอยู่ข้างบนนะก็ถืออุปกรณ์อะไรต่างๆที่เขต้องการเล่นเนี่ยนะขึ้นไปยืนอยู่บนปลายไม้ เป็นการแสดงกายกรรมอย่างหนึง่งนะคือลองนึกถึงนะักคนขี่ต่อต่อคนกันนะแล้วก็ไม่ใช่เอาขาขาเขาอยู่คนขาคนอยู่ข้างบนเนี่ยไม่ได้เหยียบไหล่คนอยู่ข้างล่างนะแต่ว่ามีไม้อีกอันหนึ่งนะคําอยันขึ้นไ า, าอะไรประมาณนี้นะค่ะที น, นี้การการเล่นกายกรรมตรงนี้นะในสมัยอินเดียสมัยก่อนตอนสมัยพุทธกาลเนี่ย ก, ก็มีก็มีกิจกรรมการทาตรงนี้ซึ่ง เ, เป็นเป็นกิจกรรมของพวก คนที่เรียกว่าจันทานนะซึ่งเป็นคนนอกวันนะเขาก็จะมีการเหมือนการเล่นการร้องอะไรตรงนี้เป็น ก, า, การหาเลี้ยงชีพของเขาทีนี้การทําตรงนี้เนี่ยถามว่าโดยตามหลักฟิสิกส์เอาไม่ต้องตามหลักฟิสิกส์เราเอาคอมมอนเซนซ์ธรรมดานะน้ำหนักของคนที่ตกลงมาเนี่ยน้ำหนักของคนข้างบนใช่ไหมก็จะอยู่กับคนข้างล่างนะในที่นั้นพระเจ้าเล่าให้ฟังถนะึงเหตุการณ์ของนักกยายกรรม2องคนนีนะ้คนข้างล่างก็บอกว่าเอาฉันจะรักษาเธอนะเธอก็ รักษาฉันเราสองคนต่างรักษากันนะมันจะได้เงินด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะแต่คนข้างบนบอกว่าไม่ได้ไม่ได้คุณน่ะรักษาตัวคุณผมนี่ก็รักษาตัวผมนะต่างคนต่างรักษาซึ่งกันมันถึงจะถูกเอาทําไมสองคนเนี่ยพูดเหมือนเหมือนคนละอย่างกันนะคือคนข้างล่างบอกคุณต้องรักษาฉันนะฉันจะรักษาคุณคนข้างล่างบอกฉันจะรักษาคุณนะแต่ตัวคนข้างบนบอกไม่ฉันจะรักษาฉันเองเธอรักษาเธอ คุณโยบเดี๋ยวก็จะมาตรงนี้เป็นอุปมาอุปมที่ลึกซึ้งมากเลยนะลึกซึ้งมากมันไม่ธรรมดานะอุปมามันนั่งวิเคราะห์เนี่ยเราก็เหมือนท่านฟังเนี่ยมันนั่งสมาธิแล้วก็วิเคราะห์เรื่องนี้ไปตามเนี่ยคือคือทำไมคนข้างล่างก็ถึงบอกว่าต้องรักษาฉันอจาจะรักษาเธอทําไมเพราะว่าแรงของคนข้างบนเนี่ยมันตกลงมาที่คนข้างล่างก็จะไหมเพราะฉะนั้นจากมุมมองของคนข้างล่างเนี่ยก็คือรักษาแรงที่มาจากข้างบน เขาต้องรับแรงมาจากข้างบนนี่เขาก็เข้าใจถูกต้องเขาก็ถูกของเขานะแต่ไอ้คนข้างบนนี่คนข้างบนมันไม่ได้รับแรงของใครมันมีแต่ตัวแรงของตัวเองใช่ไหมมันก็ต้องทรงตัวไว้ให้ดีเพราะนั้นเขาก็ต้องรักษาตัวของเขาเองเหนือไหมแล้วจากมุมมองของคนข้างบนเนี่ยคนข้างล่างก็ต้องรักษาตัวเองคือแรงที่ตกลงที่ตัวเองเพราะฉนั้นเขาก็รักษาตัวเองซึ่งสองคนพูดเนี่ยคือพูดสิ่งเดียวกันนั่นลหละพูดสิ่งเดียวกันนั่นแหละอยู่ที่ว่าคุณมองจากมุมไหน นะก็คือแรงนี้มันจะไปที่ทางไหนแค่นั้นเองเช่นเดียวกันการเจริญสติถ้าจิตเรามีสตนะิถ้าจิตเรามีสตินะจิตเรามีสติเนี่ยคือการที่เราปฏิบัติธรรมการที่เราปฏิพฤติชอบประพฤติตามธรรมอยู่เนี่ยด้วยการทําอย่างนี้นะคือคือตรงนี้คือเรามีสตินะคือสติพุ่งเข้าหาตัวเราเรามีสติทีนี้ถ้าสมมติเรามองออกไปทางคนอื่นนะคนอื่นมองเข้ามาหาเราเนี่ย คนที่มีสติเนี่ยจะตอบสนองคนอื่นด้วยการที่ไม่เบียดเบียนแต่คนที่มีสติจะตอบสนองคนอื่นด้วยการที่อดทนคนที่มีสติจะตอบสนองคนอื่นด้วยความรักใคร่เอ็นดูด้วยเมตตาจิตมันมองต่างมุมกันแต่เป็นสิ่งเดียวกันนั่นเองค่ะอ่าฤกซึเงหน้านี้จะมาว่าลึกษ์เสืงมากค่ะหมายถึงว่าพระพุทธองกับประสงค์จะให้เราเนี่ยรักษาตัวเองได้นะคะเพราะนั่นหมายความว่ารักษา ได้ทั้งตัวเราเองและผู้อื่นในใ<ช>การที่เรารักษาตัวใช่ใช่โดยที่ที่ท่านอธิบายเมื่อสักครู่คือการที่เราเกี่ยวข้องคนอื่นเนี่ยด้วยการที่ต้องไม่เบียดเบียนเขาต้องมีเมตตาจิตกับเขาอย่างนั้นใช่ไหมคด้วยการมีสติในตัวเราค่ะอ่ทีนี้มองมุมกลับกันนะมองมุมกลับกันก็ได้เหมือนกันสมมติบางทีเราถูกด่าแล้วเราอดทนอดทนไม่ด่าตอบอคุณมีสติคุณรู้ตัวเปล่า นีมันเกิดขึ้นดันดีค่ะมันเกิดขึ้นดดีนะหรือบางทีเราเอาของไปให้คนหนึ่งเขาแต่เรามีเอาของไปให้ด้วยเมตตาจิตอ้อาวนั่นนคุณมีสติแลนะแต่คุณรู้ตัวเปล่านี่มันไปอย่างงี้หรือบางทีเรามีความรักใคร่เอ็นดูลูกของเราอย่างเงี้ยลูกเราเออมันอาจจะดื้อซนบ้างแต่เราก็ยังรักเขาไอความรักใคร่เอ็นดูที่คุณมีต่อลูกคุณหรือว่าคนที่คุณรักเนี่ยเอ้นี่คุณมีสติแล้วนะ คุณรักษาจิตคุณแล้วนะถูกแล้วนะคุณปฏิบัติธรรมแล้วนะเอ๊ะฉันว่าฉันไม่เห็นได้หลับตาเลยฉันไม่ได้เห็นได้ไปวัดเลยก็ถูกแล้วไม่หล่ะเพราะว่าคุณมีสติอยู่ค่ะดังนั้นสติของเราจะสะท้อนประ ก, การที่เราปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างมีสติด้วยการไม่ไปเบียดเบียนเขาด้วยการมีความอดทนต่อเขาด้วยการรักใคร่เองดูเขาใช่ใช่แล้วก็อด้วยการมีเมตตาจิตก็ตรงนี้เป็นเป็นคร่าว นะคือคุณทําอะไรดีๆที่เราแสดงออกไป<ม>เช่นความซื่อสัตย์อย่างนี้เป็นตน้นะความซื่อสัตย์ในที่นี้ก็อาจจะจัดรวมอยู่ในการไม่เบียดเบียนคุณธรรมเช่นการที่เราแบ่งปันมีการให้ทานเอ๊ะแสดงว่าพวกนี้เป็นเป็นการประพฤติชอบประพฤติธทำ อ, อยู่เสมอเลยแสดงว่าคุณทําคุณมีธรรมะอยู่ในใจนะคุณมีสติอยู่ในใจระดับหนึ่งทีเดียวค่ะและในการทําให้กับคนอื่นก็ได้ประโยชน์กับตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกันใช่ คือคือทำให้เรานเนี่ย ค, คือทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่เสพ ธ, ธรรมะเจริญธรรมะนั่นทให้มากซึ่งธรรมะเนีเพราะฉะนั้นทําให้เราเห็นว่าไอการที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าคุณมานั่งคู่ขาหลับตาแย่ไปวัดหรือนุ่งชุดขาวไม่ใช่แค่นั้นแต่ยังรวมถึงการที่เรามีอดทนให้กันเราแบ่งของกอันเรามีเมตตาจิตให้กันคุณเดินไปแบ่งให้ทางกับคนที่เขา จะเลี้ยวอย่างเงี้ยเราเปิดทางให้นะคุณมีเมตตาชิดให้นั่นกูคุณปฏิบัติธรรมละไม่ได้เห็นไปวัดเลยนะอ่ายังอยู่ในรถอยู่นั่นแหละน ะ, ะนนก็ทําได้ทันทีปฏิบัติธรรมได้เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นบางคนบอกหมูเลยปกติแล้วทําอยู่แล้วก็ทําต่อไปใช่ใชแต่บางคนบอกว่ามวยเกิดมาไม่เคยทําอะไรให้ใครเลยอือก็ไปพิจารณาดูนะคะ ซ, ซึ่งสมมุติว่าท่านถ้าเราไม่ไมใช่อารีนี้ก็จะต้องเป็นอารียอื่นในด้านอื่นๆของชีวิตของเรามีแน่นอนอแค่แค่ว่าง่ายๆอย่างเราดูทีวีอย่างเาางี้ยแล้วเราดูเรื่องราวที่เราไม่ชอบแล้วก็อดทนเอาไว้นี่มันก็กกเกิดบุญขึ้นดัน ท, ทีเกิดใจเรามีสติแม้แค่ช่วลัดนิ้วมือนหนึ่งตัวนั้นก็เป็นบุญดันทีประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือเรื่องของตัวอย่างที่พระเจ้าได้ยกขึ้นมานะคือการแสดงกายะกรรมนะที่อาจารมากําลังพูดถึง เมื่อสักครู่ที่ว่าแรงที่คนข้างบนแรงของคนข้างบนที่ตกลงมาน้ำหนักของคนข้างบนที่ตกลงมาเนี่ยมันก็มาเป็นน้ําหนักของคนข้างล่างนะน้ําหนักของคนข้างบนที่เขาดูตัวเองนะเขาไม่ได้รับแรงของคนข้างล่างแต่ว่าทําให้เขาคิดว่ามีแต่ตัวเขาต้องรักษาตัวเขาเพรา ะ, ะนั้นอะไรที่มันไม่กระทบกันนี่นะคุณโยมติ๋วมันไม่มีใช่ไหมเราทําอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะกระทบคนข้างๆในกรณีใดสักกรณีหนึ่ง คือบางคนจะคิดว่าเฮ้ย hey, ฉันมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาตัวรอดคนเดียวแต่คุณเข้าใจผิดค<ฆ>่ะอ่าคือคุณคิดว่าฉันจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะแล้วก็หลุดพ้นคนเดียวเอ่อมาบวชแล้วก็พ่อแม่ก็ยกไปนะลูกเมียอะไรก็ทิ้งแ ต, แต่คุณเข้าใจผิดเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่คุณมีธรรมะโพวะทันทีเนี่ยคนอื่นคนรอบข้างคุณนะเขาจะได้รับการรักษาไปด้วยได้รับโดยปริยายแต่ตอนแรกเนี่ยดิฉันคิดต้นๆนะเล่นคิดอย่างนี้ ว่ารักษาตนด้วยการไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิต ร, รักใคร่เอ็นดูอะไรทํานองนี้นะคะ อ, อ, อดทนเนี่ยยังเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องตรงตัวว่าถ้าเราเหมือนกับเป็นผู้ที่ฝึกปฏิบัติอะไรแล้วเนี่ยคนรอบข้างจะได้ไปโดยปริยายเพราะไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําของเราที่ควบคุมสติในทุกๆอย่างถูกต้องถูกต้องนะทั้งทั้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือว่าแบบไร้รูปแบบ ก็จะได้ประโยชน์ทั้งสิ้นค่ะเลื่องอย่างหนึ่งในทางกลอบกันไงคะที่บอกว่ารักษาผู้อื่นนะคะด้วยการอดทนเหมือนกันไม่เบียดเบียนไม่ตาจิตรักใคร่เอ็นดูดิ๋ฉันก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าเราจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขเราก็อย่าไปเบียดเบียนเขาเราก็มีความอดทนต่อเขาเราก็มีเมตตามีรักใคร่ต่อเขา ม, มันก็จะไม่เกิดการกระทบกระทั่งกันถูกต้องแล้วในขณะนั้นเราก็เชื่อว่าเป็นปบุตริปฏิบัติทําไปด้วยเลย ค่ะแต่พอมาถึงสุดท้ายดิฉันเริ่มเข้าใจเพราะว่าจากการที่ตัวเองได้ทดลองปฏิบัติมาก็ได้พบว่ า, าคนรอบข้างเนี่ยดีขึ้นจริงๆอืมค่ะใช่หลายๆคนก็จะมาพูดให้ถึงฟังอย่างเช่นว่าการที่เรามีเมตาตาใจซึ่งกันและกันเนี่ยพอเรามีเมตาตาใจซึ่งกันและกันเนี่ยจิตของคนข้างข้าเนี่ยก็จะน้อมไปในทางที่เป็นกุศลและธรรมนนี้มันช่วยได้จริงๆครอบครัวก็จะมีความร่มเย็นมากขึ้นอย่างเงี้ยก็จะไปในแนวทางนั้น เหมือนกับว่าเขาก็เห็นความเย็นมันเกิดขึ้นชัดเจนจากคนทีอ่อยู่ชิดติดกันใกล้กันก็ได้รับความเยือกเย็นมากขึ้นรู้สึกว่าอยากจะทําตามกต<ร>้จิต<ห>ก็จะน้อมไปในทางกุศลก็ก็จะพูดดีคิดดีทดําดีมันก็เบีเยดเบียนกันน้อยลงน้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดไปสําหรับผู้ฟังที่กําลังอาจจะมีปัญหาว่าเอจะดูแลคนรอบข่ายยังไงนะเพราะว่าไม่รู้จะจัดการอย่างไรเลยถ้าทางจะเป็นโจทย์ที่แก้ยาก ลองแก้ที่ตัวเองก่อน<ช>ด้วยการจเจริญสติอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องนะไม่ว่าจะขนาดว่าเราถูกแบบกระทําฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยนแะทนที่เราจะโต้อตอบด้วยวาจาหยาบคายไร้การใช่ไหมเราก็โต้อตอบด้วยความอดทนนะเราโต้อตอบด้วยการเมตตาจิตแพ้เมตตากลับไปเลยนะ ม, มันด่าเราใช่ไหมนะตอบกลับเป็น4ี่เท่านะโดยการที่แป่เมตตาให้นะอดทนใหนะ้ไม่เบียดเบียนด้วยมีความรักให้นี่ตอบกลับอย่างนี้ เพื่อนถามสืบเนื่องต่อไปเลยได้ไหมคะว่าอการที่อดทนเนี่ยคะ่ะเจริญบาลมีอนิสงส์อย่างไรมีเป็นพระสูตรตรัสด้วยไหมคะคุณธรรมความอดทนคุณธรรมความมีเมตตาโอ้ความอนิสงส์แตกต่างมากน้อยกันอย่างใดค่ ะ, ค, ะความความอดทนเนี่ยเป็นคุณธรรมที่สําคัญมากเลยนะสําคัญมากทีเดียวถ้าพูดถึงความอดทนเนี่ยอะจะต้องทาให้เป็นผู้ที่ มีคุณสมบัติของผู้ที่จ ะ, ระรบรรลุความเพียรได้จะทำให้ไปวิชาวิมุตติได้แน่นเช่นคนที่อดทนต่อวาจารย์หยับคาร้ายการอดทนต่อความหนาวความร้อ น, นอดทนได้พวกนี้นเป็นคุณสมบัติของคนที่มีความเป็นอาชาไ น, น, าาาไนใน <c oughs> ทีน่นี้อดทนเนี่ยยังพูดถึงการอดทนต่อการที่ไม่ได้กินตามเวลาไม่ได้นอนตามเวลาด้วยอดทนนี้ก็ยังเป็นคุณสมบัติของภิกษุในธรรมวินัยนี้ นะพูดถึงความอดทนและความสงบเสงี่ยมนะจะเป็นผู้ที่เป็นหนึ่งในตบะนะคือบางคนคิดว่าการบําเพ็ญตบะเนี่ยคุณต้องทําตัวเองให้ลําบากเอาไม้มาตามตัวเองหรือว่าทําตัวเองให้เจ็บเจ็บปวดปวดอย่างนั้นนั่นคือการบําเพ็ญตบะแต่ไม่ใช่ในทะางคำสอนขอ ง, องพระเจ้าเนี่ยการอดทนเนี่ยคือการบําเพ็ญตบะอย่างยิ่งทีเดียวนะตรงนี้ก็พูดถึงที่โอวาทปาติโม่กันล่ะค่ ะ, ะส่วนเรื่องของเมตตาจิตนี้โอเมียนิสง ที่พูดถึงครบถ้วนก็จะเป็น18อย่างนะก็จะทาให้ไม่ฝันร้ายนะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนะเป็นผู้ที่มีผิวพรรณดีสามารถที่จะสตร์าอาวุธต่างๆก็จะคล้วคลาดไปนะเป็นผู้ที่จะทำให้เข้าสมาธิได้ง่ายนะจะเป็นที่รักของมนุษย์จะเป็นที่รักของอมนุษยนะ์แล้วก็ถ้าตายไปเนี่ยก็จะไปถึงพรหมโลกแต่ยังไม่ได้คุณวิเศษอะไรนะก็มีอันที่ส่งหลายอย่าง เรื่องการเรื่องของการรักใคร่เอ็นดูนะที่จะมีรายละเอียดที่ต่างกับเมตตาจิตรตรงนี้ก็คือว่าเป็นไปในการการกระทำํำนะการรักใคร่เอ็นดูก็ลักษณะของการมีความกรุณานั่นแหละคุณมีเมตตาแล้วคุณกรุณาคุณก็ทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะเห็นเห็ น, หนก็เรียกมีมุนีตามีกรุณาจะรวมอยู่ตรงการรักใคร่เอ็นดูตรงนั้น <c oughs> เป็นการกระทําที่เหมือนกับเรา อ่าให้เข้าไปเป็นฝ่ายให้สายให้ฝ่ายใ ห, ยให้ไม่น่าจะได้อะไรกลับคืนมาแต่จริงๆแล้วเป็นอนิสงส์ย่างใหญ่หลวงใช่เราเราได้ประโยชน์จริงๆอ่าโดยงยิ่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าใครคิดว่าเราจะต้องเสียนั้นโหเรามีแต่การให้การเสียสละมันมันไม่ถูกคือเราไดนะ้ได้คุณธรรมอ่าได้ความดีความงามได้บุญนี่เราจะได้อยู่ในตัวของเราค่ะดังนั้นถ้าเราจะกลับไป ที่พระสูตรซึ่งท่านไปบูลได้นําเอามาให้พวกเราได้รับความรู้กันวันนี้ในห่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ท่านก็พูดถึงเรื่องสําคัญสําคัญเกี่ยวกับตัวของเราเองเรื่องการรักษาตนว่ามีความหมายมหาศาลไม่เพียงแต่ได้ประโยชน์แก่ตนแต่ว่าได้ประโยชน์แก่ผู้อื่นเพราะเท่ากับรักษาผู้อื่นนะคะด้วยการที่ไม่เบียดเบียนด้วยการอดทนด้วยการมีเมตตาจิตรักใคร่เอ็นดู รักษาผู้อื่นมีผลในการรักษาตนด้วยการเจริญสติปัฏฐานใช่ไหมคะใช่ใชเมื่อคิดว่าเราจะรักษาตนก็จงเจริญสติปัฏฐานเถิดเพราะนั้นหมายถึงว่าท่านต้องว่าเรื่องสติปัฏฐานอีกทีต่อหัวตะปูไปเรื่อยๆกันนะคะ <c oughs> อ่อหมายถึงว่าอย่างเวลาเราจะอยู่ระหว่างวันเราร่วมหายใจไปนะเรากับรถอยู่เรารู้ลมหายใจไปังกันกรเรารู้ลมหายใจอยู่เรื่อยๆนั่นคืออนาปนสติใช่ไ อนาปนสติเนี่ยจะทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้เกิดขึ้นได้สติปัฏฐานคือฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงในที่นี้คือเราเอาลมหายใจเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงอะไรมาระลึกถึงจิตของเราเนี่ยม า, ม า, มาระลึกถึงคือเวลาเรามีเรื่องกระทบปุ๊บเรารู้รวมหายใจทันทีรู้ลมหมยใจมาตั้งแต่ก่อนด้วยเราฝึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยชื่อบ้ารักษาตนสติปัฏฐานสี่ค่อยเจริญพัฒนาขึ้นเป็นเหมือนกับเก็บชั่วโมงบินไป เพราะฉะนั้นสติก็คือให้เราฝึกอยู่บ่อยๆนะสติปัฏฐาน4ีในที่นี้ก็คืออานาปนานสติะจะพูดว่าเป็นอย่างเดียวกันก็ได้เพราะว่าในในลมหายใจที่เราเห็นอยู่ขณะดนี้มีทั้งธาต์มีทั้งลมคือคือตัวของกายมีทั้งสัมผัสคือเรื่องของเวทนานมีทั้งจิตผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจนี่ก็เป็นจิตใช่ไหมเราก็เห็นธรรมคือความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจนี่นก็เป็นผู้ที่เห็นธรรมในธรรม อุปมาอุปไม้ที่อาจจะมาอาจจะใช้ก็คือว่าเหมือนกับเราเลื่อยไม้นี่นะคุณหยู่ติวเราเลื่อยไม้ ค, คนที่เคยเลื่อยไม้เนี่ยเรามองที่จุดสัมผัสระหว่างเลื่อยคมเลื่อยกับตัวเนื้อไม้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งตัวไม้ที่ยังเป็นตัวไม้อยู่แล้วก็ขี้เลื่อยที่หลออกมาแล้วก็ตัวเหล็กคมเลื่อยที่กำลังกินเนื้อไม้อยู่แล้วก็รวมถึงท่าทางการเลื่อยมุมองศาความเร็วในการเลื่อย นั้อย่างเห็นอยู่ที่จุดเดียวกันหมดแตเช่นเดียวกันเรารู้ลมหายใจเนี่ยชื่อว่าคุณเป็นผู้ที่เห็นกายด้วยเห็นเวทนาด้ว ย, วยเห็นจิตด้วยเห็นธรรมะด้วยอยู่ในจุดเดียวกันตรงนี้หมดค่ะนะคะก็ได้รับประโยชน์กันไปอย่างเต็มที่กับความรู้ซึ่งสำคัญมากคือความรู้ในเรื่องของสติปัฏฐาน4ี่ฉะนั้นอยากจะบอกว่าเราก็รู้ว่าลมหายใจเนี่ยสคัญต่อการมีชีวิต สิ้นลมก็แปลว่าตายอ่าแล้วก็พระสูตรเนี้ยเป็นพระสูตรที่ทําให้เราได้เห็นความสําคัญของลมหายใจนะคะว่าเป็นที่สุดเป็นเครื่องมือที่พระพุทธองค์ได้ทรงเล็งเห็นแต่เราอาจจะละเลยกันใช่ไม่เคยได้ให้ความสําคัญก็กลับ ใ, <ช>ให้ความสําคัญวันนี้ก็กลัมาวัฒนการขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งนะคะยามน่านท่านฟังค่ะนั่นคือพระมหาไพบูลอภิปุลนงจากวัดป่าดอนไฮโซอุดรธานีค่ะจริงๆนะคะ เราทุกคนที่มานั่งพูดนั่งคุยนั่งฟังกันอยู่ขณะ น, นี้หรือยืนฟังอยู่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรายัางหายใจอยู่แต่เราไม่ค่อยได้ใส่ใจกับลมหายใจ ท, ท, ทั้งๆที่ถ้าเรา ม, มีความรู้ในสิ่งที่พระพุธองได้ตรัสสอนเอาไว้เราจะได้เห็นนะคะว่าทรงให้ความสาคัญกับลมหายใจเหมือนกับเป็นเครื่องนำไปที่เราจะใช้เจริญขึ้นเจริญขึ้นใน ทำในลำดับต่ อ, ตอไปเราก็มาลองนะคะทำสติปัะฐาน4หรือว่าเจริญอาณาปานาสติกันเป็นการรักษาตนและรักษาผู้อื่นไปพร้อมๆกันติดตามรับฟังรายการสันสนีสนทนากันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106แห่งนี้ขอได้รับความขอบคุณจากดิฉันสันสนีนาคพง์พุทธวัตรสวัสดีค่ะ